เกิดแร้ก็ตายตายแล้วก็เกิดคนไปเวียนมาล้วเกิดตายเกิดตายมาเป็นประจำนันโดยที่เราไม่รู้บางทีว่าตายแล้วเราก็จบแต่เราไม่จบร่างกายจบแต่เราไม่จบเราไม่ได้ตายจากร่างกายเราผู้รู้ผู้คิดนไม่ได้ตายจกร่างกาย ไปหาร่างกายาใหม่จะเกิดใหม่แล้วก็ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราพอร่างกายตายไปเราไม่มีร่างกายแล้วก็ไปหาร่างกายาใหม่ร่างกายนี้เหมือนโทรศัพท์มือถือที่เราใช้พอโทรศัพท์มันเสียมันใช้ไม่ได้เราก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเครื่องคนใช้คนเดิมคนใช้คนเก่า แตเครื่องมันเครื่องใหม่รุ่นใหม่เดี๋ยวก็มีรุ่นใหม่ออกมาพอรุ่นเก่าพังไปก็เปลี่ยนซื้อเครื่องใหม่รุ่นใหม่ร่างกายเราเนี้ยก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็พังพอพังแล้วเราก็ไปซื้อรุ่นใหม่ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ที่ออกมาจากท้องแม่รุ่นใหม่เนี่ เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นคนใช้ร่างกายเหมือนกเราใช้โทรศัพท์มือถือนพอร่างกายนี้มันพังเหมือนกับโทรศัพท์มือถือพังเราก็ต้องไปซื้อเครื่องใหม่มาเพราะเรายังต้องใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ถ้าเราเลิกใช้เมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหม่เราะถ้าเราเบื่อแล้วขี้เกียจใช้มันวุ่นวายเรื่องมากยุ่งยาก เมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือก็อยู่กันได้แต่เดี๋ยวนี้พอมีแล้วอยู่พอกาดมันไปแล้วจะอยู่ไม่ได้มันจะตายให้ได้มีกับไม่มีอันไหนดีกว่ากันมีก็ต้องมาคอยเพ้ามันคอยรักษามันคอยชารแบตให้มันแตาเดี๋ยวพอมันหายไปก็เสียใจ แล้วก็ต้องไปหาใหม่ไปซื้อเครื่องใหม่มาถ้าไม่มีก็สบายไม่ต้องมาคอยชาร์จแบตบไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาไม่ต้องคอยไปห่วง ม, มันแล้วพอมันไม่มีเราก็ไม่เดือดร้นอนร่างกายเรานี่เหมือนโทรศัพท์มือถือเลย ร่างกายเราก็มีกล้องใช่ไหมตาเราเนี่ยก็เป็นกล้องปากเราก็เป็นลำโพงส่งเสียงดังโทรศัพท์มือถือก็มีลำโพงมีกล้องมีเครื่องอัดเสียงมีไมโครโฟนเนะี่ยเราก็มีหูแล้วก็อัดเสียงมีเสียงมาแล้วก็ลัอกเข้าไปตา ท่อสานยังสู้เราไม่ได้ตรงที่มันยังลิ้มรส ด, ดมกลิ่นไม่ได้ต่อไปเ็าอาจจะทำให้มันลิ้มรส ด, ดมกลิ่นก็ได้เช่นอยากจะไปซื้อขนมนะผ่านทางมือถือก็ให้ชิมได้ชิมผ่านทางมือถือได้เลยต่อไปหรือถ้าไปซื้อน้ำหอมเขาก็ให้ดมดมกลิ่นน้ำหอมได้เลยตอนนี้มันยังทำไม่ได้ แต่ต่อไปที่ว่ามันคงจะทำกันแล้วมันก็จะเหมือนร่างกายทุกอย่างเหมือนกับมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นรับรูปเสียงเกลื่อนรสต่างๆนี่แหละคือร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเราจึงทุกข์กับมันใช่ไหมเพราะอะไรเป็นเราแล้วมันจะทุกข์ทันทีเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยง ร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยคิดว่าเราจะแก่เราจะเจ็บเราจะตายไปกับร่างกายแต่เราไม่ได้เป็นเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นคนใช้ร่างกายเหมือนคนใช้โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เจ็บใช้ไปมันก็เก่า กเกาแล้เดี๋ยวมันก็เสียเสียมันก็เหมือนะเจ็บไขยได้ป่วยแล้วเดี๋ยวมันก็พังใช้ไม่ได้แต่คนใช้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับโทรศัพท์มือถือคนใช้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเี่ยรามาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะได้บอกเราให้รู้ว่าเราไม่ได้เต็มร่างกายเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กังวบบลกับร่างกาย ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้ไไดเป็นตัวเราเราจะสบายใจขึ้นเยอะเลยเหมือนกับร<ม>่างกายของคนอื่นนี่เราเดือดร่อนนาร่างกายคนอื่นที่เราไม่รู้เนี่ยไม่รู้จักเนี่ยเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายนี่เรามีความรู้สึกอะไรกับความแก่ความเจ็บความตายของเขาหรือเปล่าไม่รู้สึกอะไรเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายของเขา แต่พอร่างกายที่เรามีอยู่นี้เรากลับไม่มองว่ามันไม่มันเรากลับมองไม่เห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราเหมือนเหมือนกันมันเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นแต่เราไปหลงคิดว่ามันเป็นของเราตัวเรามันก็เลยทําให้เราทุกข์ทุกข์เพราะอยากอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายนั่นพระพุทธเจ้า สอนว่าเรามีวิธีที่จะอยู่กับร่างกายนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องทุกข์กับมันเราต้องหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราต้องยอมแก่ต้องยอมเจ็บต้องยอมตายเพราะว่ายอมไม่ยอมมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันถ้ายอมแล้วจะไม่ทุกข์จะสบายใจจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไม่เดือดร้อนกับความตายะ <Yeah. S 1> เหมือนกับยอมยอมเสียเงินเนี่ยเวลาเรายอมเสียเงินเราทุกข์มันไม่ทุกข์เน่ยวันนี้มาทําบุญเรายอมเสียเงินกันแล้วบ้ <Yeah. S 1> างแล้วเราทุกข์ก็บ้างเรากลับมีความสุขใช่ไหม <Yeah. S 1> พอเรายอมเสียแล้วมันกลับสุขถ้าไม่ยอมนี่ทุกข์ถ้าเกิดใครขโมยเงินไปก่อนมาทําบุญนี้เป็นยังไงทุกข์ไหม ทุกข้ออะไรเพราะไม่ยอมไม่ยามเสียแบบนั้นไม่ยามให้เขาขโมยไปแต่ถ้ายอมเสียโดยการทําบุญนี่กับไม่ทุกข์กับในความสุขพระบุตรเจ้าถึงสอนให้เรหันมาทําบุญเพื่อเราหัดยอมเสียเพราะอะไรเพรของทั้งหมดที่เรามีอยู่รวมทั้งร่างกายของเราเนี่ยสักวันหนึงก็ต้องเสียมันไปเพราะมันไม่ใช่ของเรา มีใครตายมีใครไม่ตายไหมมีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไหมร่างกายทุกร่างกายเหมือนกันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเรายออให้มันแก่ย่อให้มันเจ็บย่อให้มันตายเราจะไม่เดือดร้อนเช่นผมหนอกก็ปล่อยมันหงอกไปนี่ทำไมต้องไปย้อมมันย้อมมันแล้วก็เดี๋ยวก็มาพอมันงอกใหม่ก็ไม่สบายใจพอดูดูกระจกอ่ะผมหนอกขึ้นมาอีกแล้ว ก็ต้องไปย้อมย้อมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็กลายเป็นโรคมาเลยนิทานยานีเสือปะจะละกแค่นี้ผมง่อกไปย้อมผมนะเดี๋ยวก็ไปเจอลูกมาเร็งที่ผิวหนังถ้าย้อมเสื้อก็ไม่ต้องเดือดน้อมันมันจะงอกก็ไปมันงอกไปสีขาวมันก็สวยดีเนี่ยเสื้อเรายังใส่เสื้อสีขาวได้ ทำให้มนผมให้มันผมสีขาวไม่ได้ผมมันจะสีอะไรมันก็เรื่องของผมมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ได้หงอกไปกับมันเนี่ยผู้รู้ผู้คิดไม่ได้หงอกไปกับผมผมหงอกก็หงอกไปมันเรื่องของร่างกายเพราะเราไม่รู้เพราะเราไปคิดว่าเราเป็นน่างกายที่ตั้งแต่วันนี้ไปเราต้องมาเปลี่ยนความเห็นใหม่นะเอาความเห็นที่พระเจ้าเห็นมา มาใช้เพราะความเห็นโพระเจ้ า, านี้เป็นความจริงเหมือนคนที่ก็เห็นว่าโลกนี้โกงเมื่อก่อนนี้เลยคนคิดว่าโลกนี้แบนกัน่แต่เขาก็มาบอกไม่ไม่แบนมันโกงตอนนี้ทุกวันนี้ไม่มีใครสงสัยว่าโลกกลมหรือโลกแบนแล้วก็สบายสามารถไปไหนได้ไม่กลัวตกออกจากขอบโลกเมื่อก่อนกลัวเดี๋ยวถ้าไป ที่ขอบโลกแล้วเดี๋ยวจะตกออกไปขอบโลกเพราะถ้ามันแบนมันก็เป็นเหมือนโต๊ะไ ป, ไปพอไปอยู่สุดขอบโต๊ะอดี๋ยวมัน ก, ก็ต้องตกออกจากโต๊ะไปอต่เรนนี่ก็สู้สึว่ามันกลมไม่มีวันตกมันก็จะมันก็จะไหลไปเรื่อ ย, อยมันก็จะกลมเว้าไปเรื่อ ย, อยไม่มีวันตกออกจากร อ, อกออกจากโลกนี้ไปได้เราจึงกลาานั่งเครื่องบินนั่งเรือไป สุขับวป้าสุดขับวเท่าไรก็ไม่มีวันที่จะตกออกจากโลกไปได้เพราะว่าพอความเห็นถูกเห็นว่าลโลกนี้มันกลมท่านใดถ้าเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเรานี้เราจะสบายขึ้นไปเยอะเลยใช่ไหมร่างกายของคนอื่นนี่เราเดือดร้อนของเขาร่างกายคนอื่นเขาจะแก่จะเจ็บจะตายนี่เราเดือดร้อน ไม่เดยอดร้อนเลยแล้วเฉยๆแก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายไปร่างกายของเรานี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่ได้เป็นของเรามันก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่นเลยทีนี้เราไม่รู้กันเราจริงต้องอาศัยคนที่รู้เราเป็นพวกเหมือนคนตาบอดต้องอาศัยคนตาดีคนตาบอดถ้าเดินไปไหนมาไหนเดี๋ยวก็ ตเดินไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้เดินไปตกหลุมตกบ่อเดินไปเตะสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้ามีคนตาดีนำทางก็เดินไปอย่างสบายปลอดภัยเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปไนดะ้เราต้องการความสุขกันแต่เราก็ต้องมาทุกข์กันทุกข์เพราะว่าเราไปหลงผิด ไปลงผิดไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรามีพรพธเจาที่ส่งคนคนพบความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นคนรับใช้เรา mm. มันเป็นของขวัญที่เราได้มาจากพ่อแม่พ <Yeah. S 1> ่อแม่นี่ยร่างกายเนี้ยเป็นของพ่อแม่มาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีพ่อแม่ ร่่งกายนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้เราไม่เราเป็นเพีงแต่ผู้มาลับของขวัญอยากพ่อแม่เราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่เรียกว่าใจตอนที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณ<ม>เวลาคนตายไปเราก็บอกว่าดวงวงิญญาณเขาออกจากร่างไปแนละ้ว<ม>เขาอยู่กับร่างกายนี้ไม่ได้แนะ ดววิญญาณนี้ก็ไปรอรับร่างกายอันอหมไปเข้าคิวรอรับร่างกายพอถึงคิวตัวเองก็รับร่างกายอันใหม่มาก็มาเกิดออกจากท้องแม่มาแล้วก็มาคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายเพราะมันมีใครรู้ทุกคนก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตัวเราตัวผู้รู้ผู้คิดะตัวผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งร่างกายนี้เป็นอีกคนหนึ่ง ผู้รู้ผู้คิดนี่หละเป็นคนใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆก่อนที่เราจะมาที่นี่ได้เราต้องคิดก่อนใช่ไหมคิดว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาวัดพอคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายเดินทางมาทานเปคนสั่งร่างกายไมสั่งตัวมันเองไม่ได้ต้อต้องรอรับคำสั่งผู้รู้ผู้คิดนี่แะคือเราเราคิด ที่ว่าวันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายจะมาวัดมาทําบุญมาฟังเทลงฟังธรรพอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาขึ้นรถขับรถนาแล้วก็มาถึงตรงนี้ได้เนี่ยคือเรากับร่างกายเป็นคนสองคนร่างกายเป็นหมือนคนรับใช้นราเหมือนโทรศัพท์รณ์ถือหรือนรถยนต์รถยนต์นี้ก็ต้องมีคนขับใช่ไหม ถ้าไม่มีคนขับรถยนต์มันวิ่งไปไหนมาไหนไม่ได้มันจอดอยู่กับที่เรามีคนสั่งให้มันวิ่งต่องไปสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเส็แล้วมันก็วิ่งไปไหนมาไหนตามที่คนขับบอกให้ขับไปนเราเป็นคนขับร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ ที่เราใชใ้มันทำอะไรต่างๆนันนละ่ะใชใ้มันพูดใชใ้มันทำอะไรต่างๆแต่เราไม่รู้ว่ามันเราไม่ได้เป็นร่างกายเราอยู่กับมันมาจนเคยชินเพราะเราไม่เคยเห็นตัวเราเราไม่เคยเห็นว่าเราไม่มีรูปร่างหน้าตาเหือนร่างกายเรามีแต่ความรู้สึกนึกคิดเราก็เลยไปคิดว่าเราเป็นร่างกาย แล้วก็เลยต้องไปหวงไปหวงร่างกายเพราะไม่มีใครอยากจะตาย ไ, ไม่มีใครอยากจะเสียของที่ตนเองมีอยู่การลดธรรมชาติของร่างกายเป็นของที่ต้องเสียของที่ต้องหมดของที่ต้องจบต้องตาต้องแก่ต้องเจบ็บถ้าเรารู้แล้วเราก็จะได้ ไม่เดือดร้อนเวลาคนไหนเขาเจ็บเราเดือดร้อนเวลาเราไปโรงพยาบาลเห็นคนไข้นอนอยู่ตามเตียงต่างๆนี่นก็ดูไปเฉยๆหนึ่งเวลาเห็นคนแก่เราเดือดร้อนเราก็ไม่เดืนอดร้อนเน้นถ้าเราดูร่างกายเราว่ า, าไม่ได้เป็นตัวเราเราจะไม่เดือดร้อนกับร่างกายร่างกายแก่ก็เหมือนกับเราดูร่างกายของคนอื่น นั่งกายเจ็บก็เหมือนกันน่างกายตายก็เหมือนกันเห็นไห ม, มเราไปงานศพของคนนี้คนนี้เราเดียดร้อนเราไม่เดียดร้นต่อไปเราก็ทํางไปงานศพของร่างกายเราต่อไปเราก็ต้องไปเยี่ยมร่างกายเราที่โรงพยาบาลต้องพามันเข้าโรงพยาบาลถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราแล้วเราจะสบายเรจะเม่เดีอยร้อน วิธีที่จะรู้ว่าไม่ใช่ตัวเรานี่เราก็ต้องแยกออกจากมันให้ได้ตอนนี้มันมารวมกันเป็นเหมือนกับน้ำน้ำในขวดน้ำเดีย๋ยวนี้ถ้าเราไม่ <c oughs> ถ้าน้าเราไม่ได้เกิดขวดออกมาดูนี่เราคิดว่าน้ากับขวดน้ำนี่เป็นอันเดียวกันแต่ถ้าเราเทน้าออกมาเราถึงจะรู้ว่าออนน้าเป็นอย่างขวดเป็นอีกอย่างเรามีวิธีที่จะแยก ตัวเราออกจากร่างกายนี้ได้ตัวผู้รู้ผู้คิดนี้เราสามารถแยกออกจากร่างกายได้เหมือนกับที่เราแยกน้ำออกจากขวดน้าวิธีแยกก็คือเราต้องมานั่งทำใจให้สงบเวลาใจสงบนี้ตัวรู้ตัวคิดนี้จะแยกออกจากร่างกายตอนนี้มันมารวมกันมันมาเกาะติดกันอยู่เหมือนกับน้ากับขวดน้ำ ถ้าเราอยากจะแยกน้ําออกจากขวดน้ําแล้วก็เปิดฝาแล้วก็เทน้ําใ ส, <c oughs> ใส่ใส่ถ้วยใส่แก้ว <c oughs> มันก็จะแยกออกจากกันเป็นสองส่วนถ้าเราอยากแยกใจออกจากกายเราก็ต้องนั่งสมาธิพุทธโธพุทธโธไปอยากคิดอะไรนพอใจไม่คิดอะไรใจมันก็จะหดตัวเข้ามาหดตัวออกจากร่างกาย ตอนนี้ใจมันคิดเวลาคิดมันจะคิดไปหาที่ร่างกายทุกทันทีคิดไปหาที่ตาเพื่อจะได้ดูรูปคิดไปที่หูเพื่อจะได้ฟังเสียงคิดไปที่ร่างกายห้าห้าจุดด้ยวยกันคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยใจเราตอนนี้วางเกาะอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> ถ้าเราอยากจะแยกร่างกายแยกใจออกจากร่างกายเราต้องดึงใจออกจากตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะหดเข้าไปวิธีที่ไม่คิดก็ต้องให้มีอะไรดึงมันออกมาเช่พุโทโธพุโทโธถ้าเราไม่พุโทโธเลียวมันก็คิดอยากจะดูนั่นอยากจะฟังนี่อยากจะดื่มนั่นอยากจะรับประทานให้นี่อยากจะดมไห้นั่น มันอยากอยู่ตลอดเวลาดะงั้นถ้าเราต้องการที่จะแยกใจออกจากร่างกายเราต้องหยุดคิดวิธีจะหยุดคิดก็ให้มันคิดอยู่คําเดียวเช่นคิดว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปพอพุโทโธไปมันก็จะไปคิดเสีงรูปเสียงกลิ่นรดไม่ได้พอไม่คิดมันมันก็เลยมันก็จะหดตัวเข้ามาท้องตัวออกจากตาหูจมูกลิ้นกาย เราเราไปนั่งเฉยๆพูดโธ้พูดโทเดี๋ยวมันก็ถอนออกจากร่างกายมันก็จะแยกออกจากกันใจก็จะอยู่ที่หนึ่งร่างกายก็จะอยู่ที่เวลาใจสงบนี้ร่างกายนี้หายไปจากความรู้สึกนึกคิดเหรืออยู่แต่ตัวรู้ผู้รู้อยู่ตัวเดียวเนี่ยผู้รู้นี่แหละคือตัวเราตัวเราที่ไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกาย พอเราหยุดคิดปับความหนงมันก็หยุดไปพอหยุดคิดความคิดที่ว่าเราเป็นร่างกายมันก็หายไปเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่แหละตัวเราที่แท้จริงก็คือตัวรู้นี่เองตัวรู้นี่แหละที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ร่างกายเป็นอะไรตัวรู้ก็ยังเป็นตัวรู้ตัวรู้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายตัวรู้นี่เป็นเพียงแต่รู้อย่างเดียว ส่วนตัวคิดนี้เราหยุดมันพอหยุดมันแล้วตัวตัวคิดตัวที่คิดว่าร่างกายเป็นเราก็หายไปเราก็จะรู้แล้วว่าความคิดนี่แหละที่มันหลอกเราหลอกให้เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราโดยทาให้เราอยากให้มันเป็นของเราเป็นนานๆแต่ร่างกายนี้มันไม่ยอมเป็นของใครเป็นนาน มันเป็นได้ชื่อชื่อระยะหนึ่งอายุ8ปดสบเก้าสิบปีมันบอกขอลานะขอกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟขอเปลี่ยนสภาพจากอาการสามสิบสองไปเป็นขี้เท่าเวลาตายไปเขาก็เอาเข้าเตาเผาเผาเศษออกมาเลื้อะไรเลื้อเศษกระดูกกับขี้เท่านี่แหละคือร่างกายส่วนใจผู้รู้ ก็ต้องไปหาร่างกายนปเพราะยังอยากมีร่างกายเพราะยังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นอยู่อยากไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่อยากมีแฟนเวลามีวิญญาณนี่ไปหาแฟนเก่าก็ยอมต้อนรับเรอวะล่าแบบ mm hmm. เขาบอกไปเถิดไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดอย่ามายุ่งกับเราเลยลั ก, กันขนาดไหน พอการเป็นดวงวิญญาณแล้วก็ไม่รักเราแล้วกลัวเราละ mm hmm. ใช่ไหมสมมติเกิดแทนเราตายไปแล้วถ้ามาเยี่ยมเราตอนคืนนี้เราจะต้อนรับเขา่ะจำได้ไหมเราเคยเป็นแฟนกัน mm hmm. mm hmm. พี่อย่ามาเลยไปเถิด <laughs> แต่ทำไมเวลามีร่างกายอยู่ด้วยกันได้ mm hmm. พอเวลาไม่มีร่างกายแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ mm hmm. ไม่ไม่ยินดีตามรับ ผีมันไม่มีอำนาจที่จะมาทำอะไรเราหรอกไปกลัวมันทำไมโยงเี ย, ยัญญาเวลามีร่างกายมันยังน่ากลัวกว่าเวลามีร่างกายเวลามันโกรธล้วมันยังบีบคอเราได้แต่เวลาไม่มีร่างกายแล้วผีมันจะงมาบีบคอเราได้บีบไม่ได้หรอกผีไม่น่ากลัวเหมือนคน <S <S ใช่ไหม <S <S คอ น, นี่น่ากลัวที่ฆ่ากันทุกวันนี้ผีเป็นคนฆ่าและคนเป็นคนฆ่า คนนันนั้ น, นแหละคนเนี่ยเวลาไม่มีร่างกายแล้วกลับไปกลัวผีกลับไปกลัวคนที่ไม่มีร่างกายคนที่มีร่างกายกลับไม่กลัวก็เลยถูกคนที่มีร่างกายฆ่าตายกันเยอะๆๆแยะไปหมดกลับไปกลัวคนที่ทําร้ายเราไม่ได้กลับไปกลัวผีผีมันทําร้ายเราไม่ได้ผีมันไม่มีรูปร่างหน้าตามันมีแต่เพียงแต่ ความรู้สึกนึกคิดนั่นเองนะคือเรื่องเรากับร่างกายเนี่ยตอนนี้เราเราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดพอเวลาเราไม่มีร่างกายเราก็เป็นผีเขาก็เรียกเราว่าเป็นผีเป็นดวงิญญาณแล้วเราก็ไปรอเข้าคิวเรารับร่างกายอันใหมพอถึงคิวเราเราก็รับร่างกายอันใหม่ เหมือนกับเราไปจองรถคันใหม่พอรถคันเก่าเสียเราก็ไปที่บริษัทขายรถยนต์บอกขอซื้อรถคันใหม่พราะว่าตอนนี้กําลังผลิตอยู่ยังผลิตไม่เสร็จต้องซื้อใบจองก่อนอ่รับจองไว้ก่อนถ้เาเดี๋ยวพอเขาผลิตรถยนต์เสร็จเขาก็เรียกให้เราไปรับรถยนเี่ยตอนที่เราตายไปตอนนั้นก็เหมือนกับเราไปรอรับร่างกายเหมือนกันพอเขา้า พอร่างกายใหม่พร้อมเขาก็บอกให้เราไปรับได้เราก็เกิดใหม่พอเกิดมาใหม่เราก็ไปคิดว่าร่างกายใหม่นี้เป็นตัวเราอย่เนี้ยเหมือนกับร่างกายนี้เนี้ยเราก็มาคิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเดี๋ยวเวาลาตายไปมันเป็นของไข่มันก็เป็นของดินน้ำลมไฟเป็นของที่เท่าเป็นของเศษกระดูกไปนี่แหละคือความจริงที่เราไม่รู้กัน เราไม่ศึกษากันกลัวกันไม่กล้าคิดกันไม่กล้าคิดว่าตายแล้วไปไหนใครเป็นคนตายใครเป็นคนไม่ตายไม่กล้าคิดกันมันก็เลยไม่รู้ความจริงถ้าเราก้าศึกษาแล้วเราจะได้รู้ความจริงแล้วเราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติกับความจริงถ้าเราปฏิบัติกับความจริงเป็นเราจะไม่ทุกเลยเราจะไม่วุ่นวายใจเราไม่ไม่หวาดกลัวไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่มีความเสียอกเสียใจมีแต่ความสบายใจตลอดเวลาเพราะเรารู้ว่าเราปลอดภัยตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเรานี้ไม่มีใครมาทำลายเราได้เรื่งที่จะถูกทำลายไปนั้นไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราแล้วเราก็รักษามไม่ได้เราให้มีเงินแสนล้านก็รักษาป้องกัน ร, ร่างกายนี้ไม่ให้ตายไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลาเชื้อโรคมันก็บุกเข้ามา เงินทองร้อยล้านแสนล้านนี่สู่เชื้อโรคตัวนั้นเลยไม่ได้นะเดี๋ยวมหมาเศษฐียันติดโรคติดเชื้อได้นะยังตายได้นะแค่น่างกายนี่เรารักษาไม่ได้ป้องกันไม่ได้ได้ก็ในในระดับหนึ่งแต่พอถึงอีกระดับหนึ่งแล้วมันรักษาไม่ได้ป้องกันไม่ได้ถ้าเราอยากให้มัน ลักอยากจะรักษามันอยากจะป้องกันมันเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเรายอมยกธงขาวยอมให้มันไปถึงเวลามันจะไปก็ให้มันไปมันไม่ใช่เราเราไปกลัวทําไมนี่แหละคือความจริงอ น, นุญาโตโยมเอาผ้าขาวมาถวายถวายให้คนตายคนตายก็ใช้ผ้าขาวเหล่านี้ไม่ได้แต่เขาได้ เราจะใช้ได้ก็คือบุญที่เราทำเนี่ยเวลาเราถวายข้าวถวายข้าวของนี่เราจะมีบุญบุญคืออะไรคือความสุขใจอิ่มใจความรู้สึกอิ่มใจสุขใจนี่เราส่งไปให้กับคนที่เขาไม่มีร่างกายได้เหมือ น, นสมัยนี้เราส่งเงินผ่านมือถือได้ใช่ไหมเราไม่ต้องใช้ใช้เงินส่งเราใช้มือถือกนหมายเลขบัญชีขอส่งเงิน ให้กับเลขบัญชีอันนี้จํานวนเท่านี้พอกดส่งปุ๊บเขาก็ได้รับและ้ะเข้าบัญชีเขาและ้ะเขาก็เอาไปใช้จ่ายได้ทันทีทำไมนี้ไม่ต้องใช้เงินกันละใช้ตัวเลขใช้ตัวเลขในโทรศัพท์มือถือในในในบัญชีบุญก็เหมือนกับตัวเลขที่เราส่งไปให้คนที่เขาไม่มีร่างกาย คนที่ไม่มีบุญนี้ใจเขาจะหิวเหมือนกับไม่ได้รับประทานอาหารคนที่ทำบุญนี้ใจจะอิ่มญาติโยมเวลามาทำบุญแล้วรสึกอิ่ม อ, อกใจไนะอิ่ม อ, อกใจนะสุขใจนะอันนี้แหละที่เราส่งไปคือความอิ่มใจสุขใจเหมือนกับเราส่งตัวเลขของในธนาคารในบัญชีเราไปให้กับอีกบัญชีส่งไปพันหนึ่งแล้วเรากดตัวเลขหนึ่งพัน เทาบัญชีหมายเลขนี้หายเลขนี้เสร็จแล้วล้วก็กดตัวสองมันก็ไปละเราไม่ต้องไปเองนี่เรามาทำบุญนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งให้คนที่ตายไปเพราะเขาทำบุญไม่ได้เขาหาบุญไม่ได้ตอนที่ตายเขารอรับบุญอย่างเดียวเขาเป็นเหมือนขอทานถ้าเขาไม่มีบุญติดตัวไปถ้าเขามีบุญติดตัวไปเขาก็เป็นเศรษฐีบุญ พวกเศรษฐีบุญนี้เราก็เรียก ว, <โ AT>ว่าพวกเทวดาพวกเทวดานี้เขาก็เหมือนกับพวกนักท่องเที่ยวที่ไปต่างที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศเเพวกที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศนี้ต้องมีเงินไปหรือเปล่าถ้าไม่มีเงินไปเที่ยวได้นะ <m> ต้องมีเงินเติดตัวไปถึงจะไปเที่ยวต่างประเทศได้ <m> ในเวลาเราไม่มีร่างกายก็เหมือนกับเราไปอยู่อีกประเทศหนึ่ง <ficar S 1> อยู่อีกโลกหนึ่ง โลกนี้เราเรียกว่าโลกทิพย์เนี่ยใจเราเนี่แอยู่ในโลกทิพย์เวลาไม่ได้มีร่างกายใจก็ไปอยู่ในโลกทิพย์ใจก็ต้องใช้เงินของโลกทิพย์เวลาเราไปต่างประเทศเราก็ต้องเงินของประเทศนั้นไปใช้เอาเงินของประเทศเราไปใช้ก็ใช้ไม่ได้เงินทาวเราไปไม่ได้เวลาเราตายไปเราต้องเปลี่ยนเงินทาวนี้ให้เป็นบุญ ถ้าเป็นบุญแล้วเราสามารถเอาบุญนี้ไปใช้ในโลกทิพย์ได้ไปเที่ยวได้ในโลกทิพย์ก็มีที่ท่องเที่ยวเหมือนกับในโลกนี้มีโรงแรงห้าดาวมีน้านอาหารห้าดาวมีสถานที่ท่องเที่ยวมีโรงภาพยนตร์โรงละครนี้อะไรต่างๆให้เราได้ดูเหมือนไปได้ไปเที่ยวรักเมกันอนี้ไรักเมกันไปฮ่องกงไปที่ไหนที่เขามีบันเทิง ต, ต่างๆไปฮอลลีวูด ต้องมีเงินไปถึงจะไปได้พวกที่มีบุญก็จะไปท่องเที่ยวในโลกทิพกันไปฮอลนวูปไปรัเวกัสไปหาความสุดทางโลกทิพด้วยตาที่ผูทิพเสียงทิพยกิ่นเขาหาทางในโลกทิพไม่ต้องใช้ร่างกายใช้ตัวใจนี่แหละที่เป็นตัวที่สามารถสัมผัสกับรูปทิพเสียงทิพยกิ่นทิพได้ จะสัมผัสได้ก็ต้องมีบุญเหมือนกับไปเที่ยวต่างประเทศจะไปเที่ยวต่างประเทศได้ก็ต้องมีเงินติดตัวไปต้องมีเงินของประเทศที่เราจะไปเช่นไปสหรัฐก็ต้องมีเงินดอลลาร์ติดตัวไปเอาเงินบาทไปเขาไม่รับหรอกลรงไปซื้อของที่บ้านก็ดูสิเขาไม่เอาหรอกเขาจะเอาแต่เงินดอลลาร์เราถึงต้องเปลี่ยนเงินบาทก่อนที่เราจะไป เหมือนกันเวลาเราไปโลกทิพย์เนี่ยเวลาเราไม่ได้อยู่โลกนี้เวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องอยู่ในโลกทิพย์ที่เราจะอยู่โลกทิพย์แบบเศรษฐีบุญเนื่อขอทานบุญทั้งนั้นถ้าเราไม่ทำบุญเราก็จะเป็นขอทานบุญไปถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆเราก็จะเป็นเศรษฐีบุญพอเวลาที่เราไม่มีร่างกายเวลาที่เรารอรับร่างกายใหม่เราก็ยังจะไปเที่ยวในโลกทิพย์ได้ไม่ต้องไปเป็นขอทานในโลกทิพย์ รอกไปจนกว่าถึงคิวที่เราจะได้ร่างกายใหม่เราก็จะได้กลับมาเที่ยวในโลกนี้ใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาได้ร่างกายใหม่แล้วเราก็หาเงินกันใหม่แล้วก็พอได้เงินเราก็เอาเงินนี้พาร่างกายนี้ไปเที่ยวใหม่เราชอบเที่ยวตลอดเวลามีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็อยากจะเที่ยวเหมือนเดิ ในเวลาที่เราไม่มีร่างกายถ้าเราไม่มีบุญเราจะไม่ได้เที่ยว<ม>เวลาเราเป็นมนุษย์และเราไม่มีเงินไปเที่ยวเรารู้สึกไงสุขหรืทุกข์<ม>เพื่อนเขไปเที่ยวกันเนี่ยหยุดสี่วันก็าไป น, นู่นแล้วนี่เราต้องไปทํางานเพราะเราไม่มีเงินเที่ยวเนี่ยนึ่งถ้าไม่ได้ทํางานต้องอยู่บ้านเพราะไม่ไม่มีเงินไปไหนมาไหนอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เรา ทำกันตลอดเวลามีร่างกายหรือไม่มีร่างกายแต่ความอยากเที่ยวของเรานี้มันไม่หยุดมันไม่หยุดไปกับการมีร่างกายหรือไม่มีร่างกาย<ม>เวลาไม่มีร่างกายมันก็ยังอยากเที่ยวอยู่<ม>ถ้ามันอยู่ในโลกทิ่มันจะเที่ยวได้ก็แต่เมื่อมันมีบุญ<ม>แต่ถ้าไม่มีบุญมันก็ต้องเป็นขอทานไปนั่งรออยู่แถววัดวาต่างๆเราให้ญาติโยมทาบุญ แล้วก็กวดน้าอุทิศบุญให้เนี่ยพวกดวงวิญญาณนี่มีจริงพวกที่รอรับส่วนบุญนี่มีจริงพอเวลาที่เขาตายเวลาก็อยู่ก็ไม่ชอบทำบุญเขาเสียดายเงินเนี่ยเอาเงินไปเที่ยวหมดเอาเงินไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าไปซื้ออะไรหมดอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อเวลาจะทำบุญเลยไม่มีเงินทำบุญทำก็ทำน้อยปีหนึ่งอาจจะทำแค่วันสำคัญสาคัญ วันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันอะไรวันแต่งงานวันตายของคนนั้นคนนี้น้งนั้นก็ไม่ยามทําเสียดายเงินเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าเอาเงินไปซื้อของที่เราอยากซื้อดีกว่าถ้าไม่ทําบุญตายไปก็ไม่ได้เป็นเศษทิ้งก็จะไม่ได้ไปเที่ยวในโลกทิพย์จะไปเป็นขอทานรอรับเสียษอาหารเศษบุญ ระหว่างที่เรารอรับร่างกายใหม่พอเราได้ร่างกายใหม่เราก็มาเกิดใหม่พวกที่มีบุญก็จะได้ร่างกายใหม่ที่ดีกว่าเดิมสวยกว่าเดิมรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิมแล้วก็มีเงินรอละเงินที่เราทําไว้บุญที่เราทําไว้ก็จะเป็นเหมือนเงินฝากไว้ในธนาคารพอเราเกิดมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีลูกของคนมีเงินไม่ต้องไปหาเงินเอง พอเราหาไว้ตั้งแต่ชาติก่อนแล้วชาติก่อนแล้วทําบุญเยอะๆพอเรากลับมาชาตินี้เราจะมีเงินทองรอราอยู่เช่นพระเวชสันดรเ น, นี่ยเวลาที่เป็นพระเวชสันดรได้ก็ทําบุญเยอะๆช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้ให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้ใครอยากได้อะไใครมาขออะไรก็ให้พอตายไปท่านก็ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อนรอรับร่างกายหน่อย พอถึงเวลาได้นั่งกายใหม่ก็ได้มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาเกิดเป็นลูกของกษัตริย์มีระษาสามฤดูมีมีบริษัทบริวารมาคอยรับใช้มารับบริการตลอด24ชั่วโมงอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรอยากจะกินอะไรจากอะไรเขาจัดสรรมาให้ตลอดเวลาอันนี้คือผลของบุญที่เราทำไว้ในชาติก่อน พอเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะสบายแล้วเวลาที่ตายเวลาที่เราล้างกายใหม่เราก็ได้ท่องเที่ยวในโลกทิพย์ได้เป็นเทวดาได้ท่องเที่ยวในโลกทิพย์เขาเรียกว่าสวรรค์แต่ถ้าเราทำบาบนี้เรากลับจะต้องไปใช้กั่ไปติดคุกติดตารางการทำบาบนี้เป็นเหมือนกับการทาผิดกฎหมาย เวลาทาผิดกกิดมาเดี๋ยวถูกเขาจับเขาก็จับไปลงโทษจับไปทังคุกเข้าคุกเข้าตารางเวลาตายไปในโลกทิศก็มีคุกตารางเหมือนกันเวลาทาบาปแล้วก็ต้องไปอยู่ที่คุกถ้าอยู่ที่คุกก็คือนรกนรกนี่ก็ร้อนมีแต่ความรุ่มร้อนเผาผลาญจิตใจถ้าไปอยู่ที่ที่เรียกพวกพวกอสู ร, รกาที่อยู่ ก็เป็นพวกที่มีอยู่ด้วยความหวาดกลัวกันถ้าไปอยู่กับไอ้พวกนี้ก็พวกขอทานพวกเปรตพวกนี้เป็นพวกขอทานพวกหิวโหยพวกนี้ไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปในพวกนี้ก็ไปเป็นพวกสี่เท้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปแล้วต้องไปเป็นสี่อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ทำบาปเพราะอะไร ทำบาปพ่อไม่รู้ก็ไปเป็นเดิรัจฉานทำบาปพ่อหลงไม่รู้ว่าบาปไม่รู้ว่ามีโทษเหมือนคนที่ทําผิดกฎหมายแล้วไม่รู้ว่าผิดกฎหมายเขาไม่ฟังหกเวลาทําผิดกฎหมายแล้วเขาก็จับเราขังคุก ท, ทันทีอาจจะโทษหนักเบาเท่านึนงที่เราทําบาปเพราะว่าเราเราป้องกันตัวเองนี้ก็โทษไม่หนักเท่ากับทําบาปเพราะอาฆาตพยาบามวางแผนจะฆ่าเขา โทษมันก็หนักต่างทำทำบาปเพราะความกลั ก, ก็ไ ป, ไปไปติดอยู่ในเป็นอสุรกายทําบาปเพราะความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทําบาปเพราะความอาฆาตพยายามเครียดแค้นก็ไปตกนรกไปไปนรกเนี่ยเป็นที่ไปรอไปรอรับร่างกายอันใหม่พอถึงเวลาได้รับร่างกายอันใหม่เขาก็ปล่อยให้เราออกมาปล่อยให้เรามารับร่างกายอันใหม่ แล้วพอมารับร่างกายใหม่ก็ได้ร่างกายอันใหม่ที่ไม่ดีเพราะ ผ, ผลของบาป ท, ที่เราทําไว้มันยังมีติดตัวมาอยู่ทำให้มามีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสหน้าตาอับประลักอย่างนี้อาการไม่ครบสามสิบสองตาบอดม้างหูหนวกบ้างแขนขาดบ้างขาขาดบ้าง สมองเสื่อมบ้างเป็นโรคเอือบบ้างเป็นอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นอนันดับสอที่เกิดจากการทําบาปมาเกิดมายากจนไม่มีสมบัติไม่มีเงินทอเราอยู่เราเกิดในสลัมอย่างนี้อันนี้แหละเป็นเป็นอนันดับสที่ได้มาจากการทําบาปเรากลับมาแล้วก็ยังจะเต็มนิสัยทําบาปเหมือนเดิม เร <Elena. S 2> ากลับมาถ้าชอบกินเหล้า ก, ก็จะกินเหล้าต่อถ้าชอบเน่นการพนันก็จะเม่นการพนันต่อชอบเที่ยวก็จะเที่ยวต่ อ, ช อ, อชอบขอโมยก็จะไปขโมยต่อพวกที่ทาบุญกลับมาก็จะชอบทาบุญก็จะกลับมาทาบุญต่อพอมันจะติดเป็นนิสัยเหมือนกับถ้าเราชอบใช้มือขวาเดี๋ยวชาติน่ากลับมาก็ใช้มือขวาต่อลามองนัน้ไม่ใช้มือซ้ายเใช้นี่เป็น พลกที่ใช้มือซ้ายท้องก็ไม่ใช้มือขวาเพราะเขใช้มือขวาไม่เก่งอันนี้มันติดไปกับใจความชอบต่างๆนี้ติดไปกับใจชอบสีส้มก็จะซื้อีส้มใส่ชอบสีเขียวเมื่อจะใส่สีเขียวชอบสีแดงก็จะใส่สีแดงชอบกินอะไรก็กลับไปหากินอย่างนั้นชอบเปี้ยวมันจะกินเปี้ยวชอบหวานก็จะกินหวานชอบเผ็ดก็จะกินเผ็ด ความชอบเหล่านี้มันมันไม่หายไปมันอยู่กับใจชอบคนลักษณะลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ก็จะหาคนลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้คนถ้าไม่ถูกกับสเปคก็จะไม่ชอบก็จะไม่หาของพวกนี้มันไม่หายไปมันติดมากับเราพ่อแม่ไม่ต้องสอนเราใช่ไหมว่าให้เราชอบกินอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็เลือกของเราเองบางทีพ่อแม่ทำอาหารมาให้กับไม่กิน เกลียดทิ้งเกลียดทิ้งเพราะไม่ชอบเนี่คือเรื่องผู้รู้ผู้คิดเนี่ยที่เราเรียกว่าใจเรื่องดวงวิญญาณตัวนี้แหละไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวนี้แหละที่ไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเราเกิดมานีไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้ว ล้าก็จะเกิดอย่างนี้ต่อไปไม่รู้กี่แสนล้านครั้งเพราะเราไม่รู้ว่าวิธีที่จะหยุดมันหยุดยังไงเราไม่รู้ว่าอะไรทําให้เราต้องมาเกิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ mm hmm. นานๆจะมีคนรู้สักสคนหนึ่งมาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้คนที่รู้ว่าเรามาเกิดได้ยังไงคือพระพุทธเจ้า mm hmm. แล้วรู้วิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ mm hmm. ให้เราอยู่ในโลกที่ไปตลอด อยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่ามีร่างกายใช่ไหมมีร่างกายก็ต้องคอยเลี้ยงดูมันแล้วก็ต้องมาทุกกับมันเวลามันแก่มันเจ็บมันตายถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาดิ้นนนดิ้นปากดิง้งท้องเนี่ยทำมาหากินแ้าเป็นแทบตายแล้วเป็นยังไงในส่วมก็ตายอยู่ดีนะกินแทบเป็นแทบตายมันก็ดนีพ้นควานตายไม่ได้ ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาเดินหล่นไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเพราะพุทธเจ้าเห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็บอกไม่เอาละเบื่อละหาวิธีทําให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายดีกว่าถ้าก็เห็นว่าวิธีที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องไม่เกิดทันถ้าเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนถ้าไม่อยากจะเกิดทันยังไงก็ต้องหาสาเหตุว่าอะไรทํามาให้มาเกิด ก็คือความอยากมีร่างกายความอยากใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆนี่ถ้ายังอยากดูก็ต้องมีตาทั้งอยากยังอยากฟังก็ต้องมีหูอยากจะลิ่มรสก็ต้องมีลิ้นอยากจะดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากจะสัมผัสกับความร้อนความเย็นความนุ่มความแข็งก็ต้องมีร่างกายที่พวกเรามาเกิดมามีร่างกายเราเพราะเรายังอยากอยากรูปเสียงกลิ่นก้นนี้ถ้าเราอยากจะ หยุดการมาเกิดแล้วก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้อยากไปอยากก็อยากดูอยากฟังเวลาอยากดูก็อยากไปดูมันอยากฟังก็อยากไปฟังมันแล้วเดี๋ยวต่อไปความอยากมันก็จะหายไปเหมนคนที่อยากจะอยากจะเลิกสูบบุหรี่เขาทำยังไงเวลาอยากสูบบุหรี่ก็ไม่สูบเหมือนพอไม่สูบไปทุกครั้งที่อยากเดี๋ยวมันความอยากมันก็หายไปก็เลิกสูบบุหรี่ได้อยากเลิกดื่มกาแฟก็เหมือนกัน ทุกครั้งที่อยากจะดื่มกาแฟก็อย่าไปดื่มเดี๋ยวต่อไปความอยากดื่มกาแฟมันก็หมดกำลังไปไม่อยากกินเหล้าก็อยากจะเลิกกินเหล้าก็อย่าไปดื่มเหล้าเวลาอยากจะดื่มก็อย่าไปดื่มต่อไปมันก็ไม่ต้องดื่มอยากจะดูหนังก็อย่าไปดูมันอยากจะดูละครก็อย่าไปดูมันต่อไปก็ไม่เดือดร้อนไม่มีละครดูก็ไม่เดือดร้อนไม่มีหนังดูก็ไม่เดือดร้อน ตาบอดก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องใช้ตาดูหนังดูละครแต่ถ้ายังต้องดูยังอยากดูอยู่ถ้าไม่มีหนังดูก็เดือดร้อนถ้าตาเสียมองไม่เห็นก็เดือดร้อนต้องไปหาตาใหม่คนที่ตาบอดจึงอยากจะไปหาตาใหม่ขอรับบริจาคตากันเพื่อจะได้ดูหนังต่อได้ฟังได้ดูหนังดูละครต่อแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วมีตาก็ไม่มีตาก็ไม่เดือดร้อน ถ้าไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ไม่ต้องมีร่างกายมีร่างก า, กายก็ไม่ได้ใช้ใหม่เนี่ยพระพุทธเจ้าหลังจากที่หยุดความอยากต่างๆแล้วท่านาไม่เคยใช้ร่างกายไปดูหนังฟังเพลงเหมือนพวกเราเลยพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไปกินเลี้ยไปหาอาหารไปรสชาติต่างๆมากินมาเสกเนี่ยเพราะท่านหยุดความอยากได้ และการหยุดความอยากได้นี่กลับทําให้ท่านมีความอิ่มมีความสุขมากกว่าตอนที่มีความอยากเวลามีความอยากแล้วมันอยู่ไม่เป็นสุขใช่ไหมอยู่เฉยๆไม่ได้มันขิวมันงหงุดหงิดลำคานใจต้องไปทำสิ่งที่อยากทํารือไปหาสิ่งที่อยากได้มาถึงจะอยู่เป็นสุขได้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยว ก, เก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ ก, ก็ต้องไลหาอีก แต่ถ้าเวลาใดไม่มีความอยากเราก็จะอยู่สบายเนี่ยตอนนี้เราไม่มีความอยากกันอตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้น่าสบายแต่สบายเดียเดียวเดี๋ยวก็เกิดความอยากมาเดี๋ยวร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อยากจะลุกละพออยากจะลุกถ้าไม่ได้ลุกก็จะหมดเหยียดลาคาญใจขึ้นมาเก็จะขอร้องให้ยุติการแสดงธรรม นี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครฉลาดเท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครรู้ว่าอะไรทำให้เรามาเกิดกันแล้วไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดกันว่าทำอย่างไรวิธีที่จะหยุดความอยากนี่หยุดอย่างไรก็หยุดด้วยการที่ฝืนมันเช่นวันนี้ญาติโยมมาเริ่มาทาบุญนี่ก็เป็นวิธีหยุดความอยากอย่าง แทนท so so so like like right ี่เอาเงินน like so like ี่ไปเที Taiwanese ่ยวก็เอาเงินมาทำบุญแทนก็ไม่ได้ไปเที Youtube ่ยวแล้ววันน mm ี้ได้มาทำบุญแทนถ้าทุกครั้งอยากไปเที่ยวก็เอาเงินไปทำบุญแทนต่อไปความอยากเที่ยวก็หมดไปเหมือนกับการหยุดสูบบุหรี่หยุดดื่มกาแฟหยุดดื่มเหล้าเราอยากไปทำเราไปทาอย่างอื่นแทนทำอย่างที่ทำให้ใจเราอิ่มเนว่าทำบุญแล้วใจเราอิ่มเยทาให้เราไม่หิวกับการที่อยากจะไปเที่ยว อยากจะไปซื้อกระเป๋ารองเท้าก็เปลี่ยนใจลองมาไปทําบุญดูแล้วใจใจะอิ่มจะมีความสุขมากกว่าการที่ได้ซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้ามาซีซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าก็ดีใจเดี๋ยวเดียวความอยากก็สงบตัวไปความรู้สึกอิ่มก็เกิดขึ้นเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็เห็นกระเป๋าใบใหม่เห็นรองเท้าคู่ใหม่ก็อยากได้ขึ้นใหม่กระเป๋าเก่าที่ซื้อมาก็ไม่มีความหมายแล้ว ต้องเอาใบใหม่เนี่ยนี่ถ้าเราเอาเงินที่ไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าไปเที่ยวไปทําบุญทุกครั้งที่เราอยากเราไปความอยากมันจะจะหมดกาลังลงไปต่อไปเราก็ไม่ต้องซื้ออะไรซื้อก็ซื้อแต่ของที่จําเป็นต้องซื้อจริงๆถ้ามันไม่มีกระเป๋าต้องซื้อก็ซื้อแต่ไม่ได้ซื้อด้วยความอยากซื้อด้วยความจําเป็นถ้ารองเท้ามันขาดไม่มีรองเท้าใส่ก็ต้องซื้อก็ซื้อไป ซื้อตามความจําเป็นแล้วมันจะไม่ซื้อไม่มากพระอาจารย์สอนว่าให้เราหยุดความอยากใช้เงินด้วยการเอาเงินไปทําบุญ mm hmm. หยุดการทําบาปหยุดความอยากที่จะทําทบาปด้วยการรักษาศีล mm hmm. เพราะการทําบาปมันทําให้เราทุกข์ทำบาปแล้วทําให้ใจเราทุกข์ใจเราร้อนแล้วเราจะต้องไปรับผลบาปไปติดคุกติดการาังในโลกที่ต่อไป แล้วกา้เรามาหยุดความอยากด้วยการหยุดความคิดเนี่ยมานั่งสมาธิกุทโธพุทโธแยากตัวรู้ออกจากร่างกายเราจะได้เห็นด้วยปัญญาว่าออเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายแต่กับร่างกายเราก็จะปล่อยร่างกายแล้วไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายของร่างกายเราก็จะอยู่อย่างสบายพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ ไม่ต้องบันดีร่างกายอันไหนเว่าเราหยุดความอยากต่างๆได้หมดแล้วก็อยู่ในโลกทิพย์ไปตลอดตอนนี้เราก็อยู่ในโลกทิพย์เพียงแต่ว่าเราส่งใจเรามาเกาะอยู่กับร่างกายนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกนี้แต่ความจริงใจก็อยู่ในโลกทิพย์เพียงแต่ว่าส่งกระแสรับรู้ผ่านทางร่างกายนี้ก็เหมือนกับว่ามาอยู่ในโลกนี้มาอยู่ในร่างกายนี้ แต่ถ้าเราไม่มีความอยากจะดูจะฟังจะเล่นนวดนมกลิ่นเราก็จะไม่ต้องส่งกระแสจิตเรามาเกาะที่ร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วเราก็จะไม่ต้องมีร่างกายหมาอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดหน่อยไม่ต้องมาล่องห่มล่องห้กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาร่องห่มล่องห้างกับการสูญเสียการเสียสิ่งที่เรารักไปเสียคนที่เรารักไป ไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมากังว ล, ลวกับสิ่งต่างๆนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราเข้าหาพระพุทธศาสนาถ้าเรามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้เรียนรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ทรงตัดจะรู้รู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันหรือว่าใจไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับร่างกาย และรู้วิธีที่จะอยู่โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเพราการอยู่กับการอยู่ด้วยการมีร่างกายมันก็ต้องวุ่นวายกับการเลี้ยงดูรักษาร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายและพอมันตายแล้วก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต้องมาทุกใหม่ไม่มีวันเสื่อสุดถ้ามาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้หมดแล้วต่อไปก็ไม่ต้องมีร่างกาย ไม่ต้องมาทุกกับร่างกายอยู่ในโลกทิ่ไปตลอดพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่แต่อยู่แบบไม่มีร่างกายพวเราอยู่แบบมีร่างกายเราขาดร่างกายไม่ได้เหมือนขาดมือถือไม่ได้พอมือถือเครื่องนี้พังรีบไปที่ร้านเลยไปซื้อเครื่องใหม่มา ท, ทดแทนทันทีเลยร่างกายนี้ก็เหมือนกันพอเสียร่างกายนี้ไปก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่เลย แต่ถ้าเรารู้ว่าว่าการมาเกิดไม่ดีเกิดนล้วทุกข์เรารู้ว่าเหตุที่ทำให้มาเกิดคืออะไรล้วรู้วิธีที่จะหยุดความอยากนี้ได้อย่างไรก็หยุดตามที่พระเจ้าสอนให้หยุดด้วยวาทางทำทานอยากจะใช้เงินตามความอยากก็เอาเงินไปทำทานแทนอยากจะทำบาปเพราะโกรธ็ น, นั้นเกลียดัว น, นี้ก็ให้หยุดเสียหรืออยากจะได้ข้าวของเงินทองของคนอื่นก็ไปขโมยก็หยุดเสีย เราได้มาแล้วไม่คุ้มได้มาแล้วเดี๋ยวต้องไปใช้ใช้กรราขณะที่ทำบาปก็ใจก็ไม่สบายแนละ้วแทนที่จะมีความสุขจากการได้สิ่งของที่เราขโมยมาเรากลับมาวุ่นวายใจกลัวจะถูกจับกลัวจะถูกจับไปลงโทษกลัวคนเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนขี้ขโมยนังนั้น ห, หยุดความอยากที่อยากจะทำบาปแล้วก็มาหยุดความคิดเพื่อเราจะได้เห็นว่าร่างกายกับเจ ใจนี้เป็นคนละส่วนกันเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายถ้าเราไม่มีความอยากทุกครั้งที่อยากเราก็หยุดมันฝืนมันไปต่อไปเราก็ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเราก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันไหม่พอไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องมาทำบุญอย่างที่เราทำกันอยู่นี้ทำใทนท่านี้ว่ากลับมาเกิดใหม่ ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องไปหยุดความอยากไปสู้กับความอยากฝืนความอยากทุกชนิดความอยากสามชนิดนี้อยากอยากอยากหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากให้คนนั้นพนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากเหล่านี้ต้องตัดไปให้มแล้วเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไป ัง น, นั้นขอให้ท่านจำนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยึดติไว้เพียงตะนนี้ขออนุโมทนาให้ถอนยะถ า, าวาเิวาห า, า ป, ปุราริเลติสาทลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมังทิปะเมวะสนิจเตตุสัพเทปเริงตุสามกปาจันโทปันนาาราโสยัทธะมณิโชติอาราโสยัทาสัพพิตโยเววจันโตสัพพารุโควินสศตุ มาเตภาวะตะวันตายโยสุขีทีขายุโกภาวะอาพิวาธนสีริกะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมมาวทานติอายุวันโนสุขังภานออยากจะถามไ รังแรกไม่เข้าใจอยากจะขยายความวนนี้มีสามชาติเข้ามาเลยยังไม่มมนานชาลันหายไปโมนิโอเมโยเป็นอานาการิการนี่คืออะไรครับอาจารย์พวกที่ถือศีลแปยพวกที่จะ<ม>อุบาสกนี่ยก็เนียพวกทีเตรียมตัวบวพวกผ้าขาวพวกนาพวกที่จะเป็นนาเนี่เขาเนี่ยเตรียมตัวบวช ก่อนจะบวชให้เป็นนาคก่อนไม้ถือศิลแต่ให้ตรวจขัดยูก่อนว่าจะเป็นพระได้หรือเปล่าสมัยก่อนเขาไม่บวชกันปุ๊บปั๊บหรอกเขาให้เป็นมั่นสมัยก่อนก่อนจะแต่งงานก็ต้องมั่นกันก่อนกปีสองปีสมัยนี้เจอกันสามมันก็ขอแต่งงานแล้วไงรอนรอนมันถึงมันถึงอยากกันเดียวเลยแต่ถ้ามั่นกันไว้ก่อน จะได้รู้ว่าไปด้วยกันได้หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องแต่งไม่ต้องไปเสียเวลาแต่งงานเสียเงินเสียทองจาก ง, งานกันยนุ่ยใหญ่โตแต่งได้เมื่อข้าวมาทำดำอยากแล้วแต่ถ้ามั่นกันไว้เดี๋ยวเกิดทะเลาะกันไม่ไม่ถูกใจกันก็จะได้อ่ไม่ต้องจัดดีกว่าคนอื่นก็จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการแต่งงานของเรากับการอยาของเรา ท, ที่วัดที่วัปานานาชาตินี้ท่อให้อยู่เป็นนาคก่อนปีหนึ่งดู ว, ว่าจะอยู่เป็นพระได้ไหมเพราะบวดนี้มันส่้างนินมนอุกช้างนิมนต์อะไรมาทําพิธีบวชได้ด้วสามวันก็เสร็จบางทีเปลี่ยนใจแต่สมัยนี้เขาชอบบวดกัดน บวชเช้าสเสร็เย็นหบวชหน้าไฟอันนั้นไ ม, ไ, ไม่ได้เป็นการบวดเป็นการทำพิธีบวชบวหน้ามันต้องอยู่ไม่เสร็จนี้แล้วบวดบวดแล้วต้องเรียนต่อต้องปฏิบัติแล้วก็ บ, บรรลุบรรลุแล้วก็จะได้เป็นครูเป็นอาจารย์เผยแผนสั่งสอนทรรมาะต่อไป ถ้าบวชเช้าเสร็จเย็นเหนียวต่อไปาสนาก็ไม่มีเหลือไม่มีใครมาสอนถ้ามีคนสอนเขาไม่เขาไม่บวชกันหรอกบวชเขไม่บวชเช้าเสร็จเย็นเงี้ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียเวลามาแล้ทําให้ภาเดลืองนีการสป็นของไม่มีค่าราคาเลยใครอยากจะบวชก็บวชกันได้ง่ายๆอยากจะเสด็จก็เสด็จกันได้ง่าย ที่วัาป่ า, าราชาติเขาบอกาการจะระเบิดกันพระนนี้มันไม่ใช่ของหนะ้าต้องมาดูใจกันก่อนพร้อมนู่นป่าพร้อมจริงนู่นป่าอยากจะบวชริงนื่นป่าแล้วเราเป็นหน้าก็ต้องมารับใช้พระไม่ใช่จะมาอยู่แบบสบายเป็นนุสิตเป็นฝ่ยรับใช้พระต่างๆด้วยเนือ้อพระแล้วก็ต้องฟังคำสั่งคําสอนนะพระ ว่าคนที่จะมาบวเนี่เขาต้องดูว่าเป็นคนดื้นี่คนไม่ดืถ้าดืเขาไม่ให้บวชว่าดื้อแสดงว่าไม่ยินดีที่จะศึกษาการบวชนี้เพื่อมาศึกษามาเรียนรู้ความสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้และมาทําสิ่งต่างๆที่เรายังทําไม่ได้แต่ถ้าดืไม่ยอมทํานำเช่นให้กินมื้อเดียวนี้ไปอาบกินข้าวเย็นนี้ เราแสดงว่าบวชไม่ได้ให้ให้ทำงาน้คีดเกลียดไปนอนให้เดินตรงกลไม่เดินใหนั่งสมาธิไม่นั่งจะมากินนงนอนอนี้เขาก็ไม่ไม่ให้บวชให้แต่สมัยนี้เราบวชแบบเป็นบวชธรรมเนียมก็เลยไม่ต้องมาดูว่าบวชแล้วก็เสร็จอยู่ดีก็เกงใจกัน ยาโยมก็ใส่บาตรให้กินทุกวันพอจะให้ลูกความบวชก็ยังต้องมามีเงื่อนไขเดี๋ยวเขาไม่ใส่บาตรให้น้องกวนยังไม่ใส่บาตรให้ก็เต้องบวชให้เขาแต่ถ้าเราอธิบายก็ฟังว่าการบวชนี่มันไม่ใช่เป็นการมันไม่ใช่เป็นของเล่นสมัยก่อนก็ไม่ได้บวช แ, แล้วึกหรอกสมัยพระพุทธเจ้านี่มีแต่บวชแล้วก็บวชไปเลยน้อย ม, มากที่จะเศึกกันศึกก็ต้องเป็นเพราะว่า ไปทำอะไรผิดร้ายกาบเนี่ยานั้นเองแตนถ้าตั้งใจบวชแล้วบวชเพื่อเสือกเขาไม่ให้บวดบวชจะเสียเวลาให้อยู่เป็นคารวะปฏิบัติทําไปก่อนอ่ะต่อไปคำถามจาก YouTube ไลน์นะคะจากคุณไอเบอร์รี่ค่ะข้อหนึ่งค่ะควรอธิษฐานบา ร, รมีอย่างไงถึงไม่เป็นไปเพื่อการสร้างกิเลส คำว่าอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจตั้งเป้าหมายไม่ใช่เป็นการขอเราใช้คําว่าอาธิษฐานผิดอยากที่ว่าอาธิษฐานคือให้ขอจุดธูปสารดอกแล้วก็ขออยากได้แฟนก็ขอแฟ น, อ, แฟนอยากรวยก็ขอให้รวยการขอไม่ได้หรอกของพวกนี้มันต้องทําถึงจะได้เห็นการอาธิษฐานนี้ให้อธิษฐานตรนที่การกระทำํำถ้าเราอยากจะ มีแฟนก็ต้องขยันแต่งหน้อแต่งตัวทับตัวเราให้สวยก่อนแล้วก็ขยันไปหาแฟนเดี๋ยวก็ได้แฟนเองถ้าจะนั่งอยู่ที่โบสถ์รอให้แฟนมาหาเราเนี่ยจนมันตายก็ไม่มาเราต้องทำมีต้องมีการกระทำที่จะให้เกิดผลที่เราต้องการนั้นเวลาอธิษฐานท่านึงให้อธิษฐานที่เหตุคือการกระทำของเราอยากจะเรียนให้จบก็ต้องขยันไปโรงเรียน ไม่ใช่ไปเที่ยวแล้วก็มานั่งจุดธูปสามดอกอธิษฐานขอให้เรียนจบไม่จบหมีจะมีจะสอบตกเพราะไม่ดูหนังสือไม่เรียนหนังสื อ, อต้องมาตั้งใจอธิษฐานว่าต้องมั้งใจจะเรียนหนังสือให้เต็มที่ไม่ทะเลาะทลาะไม่ไปเที่ยวไม่ไปเล่นจะดูหนังสือจะทําการบ้านจะไปเข้าห้องเรียนต้งองาอธิษฐานแบบนี้ถึงจะเป็นถึงจะทําให้เกิดผลที่เราอยากได้ถ้าเราต้องการเรียนจบ ถ้าอยากรวยก็รอดิทาว่าต่อไปนี้จะหาเงินอย่างเดียวจะไม่ใช้เงินได้เงินมาเท่าไหร่ก็จะเก็บเอาไว้เอาไปลงทุนต่อถ้าอย่างนี้เดี๋ยวก็รวยไปดูปดปดเศรษฐีที่เขารวยกันหนึ่งไปอ่านประวัติเขาดูเลพวกนี้เขาไม่มีวันหยุดเพราะไม่มีวันที่เอาเงินไปใช้ไปเที่ยวก็มีแต่วันหาเงินทุกวันวีนหนึ่งก็จะหยุดสามวันวันตรุษจีนหุบหยุดไหว้พ่อไหว้แม่เขาหน่อยั การเงินนะเขาไม่มีวันหยุดไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันที่จะเอาเอาเงินไปใช้มีแต่วันหาเงินอย่างเดียวหาเงินมาได้แค่เอาไปลงทุนต่อขยายกิจการนี่แหละถึงรวยรวยที่ตรงที่ว่าเราขยันทำมาหากินถ้าอยากเจ้รวยงั้นถ้าเราอยากจะรวยเราก็ต้องทิฐถามว่าต่อไปนี้จะขยันหาเงินอย่างเดียวจะขี้เกียจใช้เงินถ้าอย่างนี้เราจะรวยแน่ถ้าขยันใช้เงินขี้เกียจหาเงินจนแน่ไม่มีวันรวย เงินเดือนเอาปุ๊บไปใช้มันหมดเี้ยแล้วมันจะมีอะไรเหลือออกมากี่เดือนก็หมดพอสิ้นเดือนวางเงินมาปั๊บไปใช้มันหมดเลยเ้าอยากจะรวยมันก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักลงทุนขยายเงินที่เรามีอยู่ให้มันงอกขึ้นมานำเงินที่เรามีนี้ไปลงทุนขยายกิจการถ้าเราขายของก็ซื้อของมาขายเพิ่มให้มากขึ้นขายของหลายหลากหลาย คนก็จะมาซื้อของมากขึ้นรายได้ก็จะมากขึ้นไปดัการอธิษฐานก็คือให้อธิษฐานที่เหตุเช่นในบารมีสินี่ก็ให้อธิษฐานที่ว่าต่อไปนี้จะมีความเมตตาจะสร้างความเมตตาจะทำทานจะรักษาศีลอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าอาธิษฐานอาธิษฐานที่การกระทําอย่างอาธิษฐานที่อธิผลว่าขอให้ได้ไปถึงนิพพานขอให้ได้หลุดพ้นจากการเว้นไล่ตานเกิด ขอไม่ได้ของตรงนี้นั่ขอไปจนวันตายก็ไม่ได้เราอยู่ที่การกระทาเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่เราต้องการข้อสองค่ะเทวดาสามารถบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ดังนั้นเทวดาสามารถปฏิบัติเลื่อนขั้นได้เรื่อยๆจนถึงพระอาหารหันต์โดยไม่ต้องเกิดเป็นมนุษย์จนครบเจ็ดชาติได้ไหมคะได่เพราะว่าถ้าได้เข้าสู่โสดาบันแล้วมันจะไปเองเหมือนจุดไฟ พอจุดไฟแล้วไฟมันก็จะไม่ลามไปเชื้ออยู่ตรงไหนมันก็จะไปเองนั่นถ้าได้เป็นโสดาบันแล้วจะไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่เป็นมนุษย์มันก็บรรลุได้กรับเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าเราสามารถใช้มรณานุสติในการทําสมาธิแทนการภาวนาพุทโธหรือดูลมหายใจได้ไหมครับ ขอคําแนะนําในการใช้มรณาลุสติในการภาวนาด้วยครับได้ก็ให้เนึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเช่นเกิดมาแล้วต้องตายร่วมพ้นความตายไว้ไม่ได้เท่างมันไปแทนจะท่องทุทโธก็ท่องเกิดมาแล้วต้องตายร่วมพ้นความตายไม่ได้โดยถ้าใช้มันสั้นๆก็ตายตายตายตายตายตายแน่ๆตายตายอย่างนี้มันก็แทนทุทโธได้ คำถามจากคุณบุ๋มการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่จนต้องเบียดเบียนตนเองและทําให้ตัวเองเดือดร้อนเราควรทําต่อไปไหมคะก็เวลาพ่อแม่เขาเลี้ยงเราเขาเดือดร้อนทำไมเขาทําได้พอเราจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เราเดือดร้อนหน่อยเราทําไม่ได้ได่ไหมมันก็ต้องคิดถึงว่าสิ่งที่เราได้รับจากพ่อแม่นี้มันขนาดไหน ดังเราควรที่จะตอบแทนพ่อแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่เราจะมีมีเราได้อย่างไรเราจะอยู่ได้อย่างไรเงี้นถ้าเรายอมยอมทดแทนบุญคุณพ่อแม่เองกับเองกับตัวเราตา่างนี้ก็ไม่ไม่ถือว่าเสียหายตรงไหนเพราะว่าร่างกายนี้มันก็ไม่ได้เป็นของเราเป็นของพ่อแม่ถ้าเรามันอยากจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่เช่นพ่อแม่ตายวายก็เอาตายของเราไปให้พ่อแม่ mm hmm. หรือแม้เราจะเดือดร้อนหรือทั้งสองคน บอยจากทั้งสองตายเลยก็ได้ให้มันรู้เล่ารูล้ลอดไปถ้าทำอย่างนี้แล้วจะจะจะได้บุญมากตายไปแล้วจะได้กลับมาเกิดใหม่ดีกว่าเก่าข้อที่สองทานคือการให้การเมตตาคนอื่นด้วยเงินที่หามาได้ยากให้จนไม่มีจะให้ถ้าเขามาขอเราอีกเรายังต้องให้ทานและเมตตาเขาอีกไหมคะ ถ้าไม่มีจะให้เราจะให้ได้อย่างไรคำว่าให้นี้มายถึงให้ในสิ่งที่ในส่วนที่เราให้ได้ส่วนที่เราให้ไม่ได้เราก็ต้องเก็บเอาไว้เพราะเราก็ต้องให้ทางกับตัวเราเองด้วยเราก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราดูแลตัวเราที่ให้ทานนี้ท่านหมายถึงส่วนเกินถ้าเรามีพอเพียงแล้วมีเกินที่เราจะใช้ได้ก็อย่ากเก็บเอาไว้เฉยๆ เ, เอาไปเปลี่ยนเป็นบุญดีกว่าเพราะเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่ ถ้าเกิดเราพุ๊บปั๊บตายไปเดี๋ยวนี้เราก็จะได้มีบุญพาเราไปถ้าเราบอกว่าไว้รอใกล้ตายแล้วก็ทําบุญเราจะไปรู้เหรอเมื่อไหร่เราจะใกล้ตายงั้นมีโอกาสทําบุญได้ที่ทําไปเสียเถิดแล้วมันจะเป็นเงินทองที่เราเอาติดตัวไปไนดะ้เราไปใช้ในโลกทิพย์ได้ต่อไปข้อที่สามกลับขอคําแนะนําวิธีการปล่อยวางจากการอยากช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่น ทั้งๆ ท, ที่เราเองก็ตัวไม่รอดควรทําอย่างไรคะก็ดูว่ามันทําได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้ก็อย่าไปทําเช่นฝนตกไม่สั่งให้มันหยุดได้บ้างสั่งให้มันหยุดไม่ได้ก็อย่าไปสั่งอย่าก็อยากให้มันหยุดทําไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าทาไม่ได้เขาจะอยากกันสามีภรรยาจะอยากกันเราไปเราไปพูดให้เขาไม่อยากกันเขายังอยากจะอยากกันอยู่เราอย่าไปทําไำก็ต้องปล่อยว่าอยากมันไป เป็นพ่อแม่เราจะเขาจะอยากกันนี้เราไปขอร้องพ่อแม่อย่าพึ่งอยากกันนะอยู่เพื่อลูกๆเถอะแต่พ่อแม่บอกมันอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปก็ต้องไปก็ต้องยอมรับความจริงไปถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์ถ้าไม่ได้ังใจอย่ะข้อถามจากคุณประพัฒสอนการที่จะทําให้เกิดยานสีได้นั้นต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะ ฌานสี่มัมยานสี่นี่อันไหนกันเนี่ยถ้าฌานสีก็คือสมาธิไงปัญญาสมาธิเรีวยว่าฌานสีก็ต้องพูดโธรไปทั้งวันทั้งคืนแล้วก็นั่งบ่อยๆเวลานั่งก็พูดโทรอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ฌานสี่เองถ้ามันหยุดคิดได้คำถามจากคนตัดไม้วิธีเจริญมรณามรณ า, านุสติทำอย่างไรครับก็ให้นึกถึงคามตาย ตายแบบไหนก็ได้ที่ว่าเดี๋ยวเราไม่หายใจก็ตายนะ้วพระพุทธเจ้าสอนพระอนันตว่าให้ดูที่ลมหายใจหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายคิดอย่างนี้ไปคําถามจากคุณลาวันเ ว, เวทนาเจ็บปวดนั้นตอนนี้รู้สึกว่าไม่ปวดขาแล้วแต่ไปปวดหลังมากหรือปวดหัว ใช่เวทนาหรือไม่เกี่ยวกันคะทันเดียวกันทําอย่างไรต่อไปคะก็อย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันปวดไปปล่อยมันเจ็บไปเดี๋ยวมันก็หายเองไม่หายก็อยู่กับมันไปให้ได้ถ้าเราอยู่กับมันได้เราก็จะน่าไม่ต้องวุ่นวายไปคอยหาวิธีรักษามันรักษาตรงนี้แลเดี๋ยวก็ไปเป็นตรงนั้นต่อถ้าเราอยู่กับมันได้ก็ไมต้องไปรักษามันเพราะรักษาหายตรงนี้มันก็ไปเป็นตรงนู้นก็ต้องไปรักษาตรงนู้น พอรักษาตรงนั้นหานก็ไปเป็นทางนั้นนี่ถ้าเราอยู่กับมันได้ก็ไม่ทำไปรักษาันปล่อยให้มันมาเองไปเองวิธีที่จะอยู่กับมันได้ก็ต้องทําใจให้เฉยๆอย่าไปอยากให้มันหายถ้าอยากหายแล้วมันจะทรมานถ้าไม่ได้อยากให้มันหายแล้วมันจะไม่เดือดร้อนคําถามจากคุณอามกิติชัยคะ่ะจิตที่มักวิ่งออกไปปั ไปศบประมาทผู้อื่นเสมอพอรู้แล้วก็กลับมาต้องทําอย่างไรต่อครับเพื่อคอยนึงมันกลับมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต่อไปก็หัดมาศบประมาทตัวเองดีกว่าเราเก่งนะบเขามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรช่วยมาศบประมาทตัวเราเองดีกว่าเราเก่งจริงหรือเปล่าถ้าเราเก่งจริงเรายังเราเราสู้กิเลสได้หรือเปล่าถ้ายังสู้กิเลสไม่ได้เราก็ยังไม่เก่งจริงเรามาสู้กิเลสของเราดีกว่าเราอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่น คำถามจากคุณนาโยมทำสมาธิบริกรรมพุทโธพอฟุ้งซ่านก็รู้ว่ากำลังคิดแล้วบางทีความคิดฟุ้งซ่านก็จะมีต่ออีกคราวนี้โยมควรตามรู้ตามดูความคิดนี้ต่อหรือ<ม>คว ร, ควรแค่รู้ว่ากำลังคิดฟุ้งซ่านแล้วกลับมาบริกรรมพุทโธต่อตองยู่เ ถ้าเหมือนกันรถเนี่ยถ้ารถมันไหลเราก็ต้องเหยียบเบรกไม่ได้ไม่นั่งไปนั่งดูตามดูว่ามันหลายไปถึงไหนฮะเดี๋ยวมันก็ไปชนกับคนึื่นคนะันอื่นได้พอรถเริ่มไหลแล้วต้องเหยียบเบรกอย่างเดียวถ้าต้องการให้มันหยุดถ้าเราต้องการให้หยุดคิดเราก็ต้องพูดโธรอย่างเดียวอย่าไปตามดูอย่าไ ป, อ ย, าไป อ, อย่าไปตามดูมันมันมันจะไม่หยุดมันจะหยุดต่อเมื่อเราใช้พูดโธรคำ ถ, ถามจากคุณสมทรงนิพานมีเวลาสิ้นสุดไหมครับหรือเป็นนิรัน นิพพานมันก็เป็นจิตนี่ะที่ไม่มีวันสิ้นสุดจิตของคนที่นิพพานนี้เมื่อนิพพานมันก็ไม่สิ้นสุดจิตนิพพานก็คือจิตที่ไม่มีกิเลสเท่านั้นเองจิตที่มีกิเลสเราก็ไม่เรียกว่าเป็นจิตนิพพานเราเรีว่าเป็นจิตวัตตะจิตเวียนว่าตายเกิดจิตที่เป็นนิพพานก็คือจิตที่ไม่เวียนว่าตายเกิดตัวที่ทําให้เวียนว่าตายเกิดก็คือกิเลสพอลรมาหยุดกิเลสกําจัดกิเลสได้จิตก็ไม่เวียนว่าตายเกิด จิตของเราทุกคนนี้เป็นนิรันต์แต่นิรันต์คนละแบบนิรันต์แบบพระพุทธเจ้าก็คือนิรันต์แบบไม่เกิดแก่เจ็บตายพวกเรานิรันต์แบบเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นแหะจิตของเราไม่มีวันตายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามของพระพุทธเจ้าไม่เกิดแก่เจ็บตายไม่ทุกของพวกเรายังเกิดแก่เจ็บตายอยู่ยังต้องทุกข์ไปเรื่อยๆอ ย, อยู่ต่างกันแค่ตรงนี้คําถามสักคุณกัน กับเรียนถามพระอาจารย์ครับเพราะเหตุใดาการเกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาเป็นของยากครับการนานจะมีศาสนาปรากฏขึ้มาสักครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาเกิดเนี่ยนะองก่อนนี่ก่อนจะมาเกิดนี้แทบว่าเป็นหลายกับเลยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าองค์นี้มีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาเกิดในยุคสมัยก่อน ซึ่งถ้าจะใช้เวลานักด้วยด้วยกะนี้ก็ต้องเขียนเขียนเลขหนึ่งแล้วก็บวกด้วยตัวเลขไปล้านเลขอย่างนี้ถึงจะเป็นจะได้เวลาหนึ่งกะที่ดูหนึ่งแล้วก็ศูนย์ล้านตัวเนี่ยถึงจะได้ถึงจะได้หนึ่งกะหนึ่งนะครับงนั้นเวลาที่จะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดมาสร้างพระพุทธศาสนาก่อตั้งศาสนาครั้งนี้มันนานมาก แล้วจังหวะที่เรามาเกิดในช่วงที่มีศาสนาก็มันก็ยากพราะเราตายไปแล้วเราไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีเราก็ต้องไปเข้าคิวแล้วเราต้องไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่เราทําไว้ก่อนแล้วความมาเกิดก็อาจจะเจออาจจะไม่เจอก็ได้เช่นศาสนาพอเกิดแล้วก็ไม่ได้อยู่ไปตลอดศาสนาพุทธนี้ปัจจุบันนี้พระเจ้าบอกทำนายว่าอยู่ได้ประมาณ 5,000 ปี เราตายไปแล้วเนี่ยก่อนเราจะกลับมาเกิดอาจจะเกินห้าพันปีเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ต่งห้าพันปีเพราะาศาสนานี่มันหมดแค่ครึ่งอยู่แล้วมันเกิดพุทธกาลสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วกลับมาเกิดคราวหน้าถ้าเกินพศห้าพันไปก็ไม่มีใครรู้จักพระพุทธศาสนารู้ก็ไม่รู้ว่าเขาสอนอะไรทํำเลยประมาณนี้เกิด น, นี้ก็ยังไม่รู้กันเลยเป็นชาวพุทธยังไม่รู้ว่าพุทธนี้เป็นยังไง วิธีที่จะเป็นชาวพุทธจริงๆเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้เป็นชาวพุทธก็ยังกินเหล้ายังโกงห ก, กกันอยู่ยังเล่นการพนันกันอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่เป็นชาวพุทธจริงถ้าเป็นชาวพุทธจริงต้องละอาบายมุขทั้งหมดละการดื่มสัรวลาละการเล่นการพนันละการเที่ยวเคนละความเกลียดค้านละการครบคนไม่ดีกันนิด ล, ละการการะทำบา ถาษัรักทรัพย์มาพูดผิประเวณีพูดปน่นแล้วก็ทำบุญเป็นสม่าเสมอใส่าบาททุกวันถ้ามีถ้ามีพระผ่านมาถ้าไม่มีก็เอาเงินใส่บาทใส่ขบุกไว้พอเวลาไปวัดก็ไปเอาเงินนี้ไปทำบุญที่วัดอย่างนี้แต่เรียกว่าเป็นพุทธแท้เป็นพุนทธจริงคำถามจากคุณพิพัฒพง์ นั่งสมาธิแต่ละครั้งควรนั่งนานขนาดไหนครับจึงจะจึงจะเหมาะสมอ๋อนั่งไปยังไามันจะนั่งไม่ไหวคำถามจากคุณรินอยากทราบว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเข้าถึงขั้นโสดาบันคะก็ไม่กลัวแก่เจ็บตาย<ม>เห็นร่างกายนี้เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นเขาเป็นไงเรารู้สึกไงไหมไมนรู้สึกอะไรใช่ไ เราก็ต้องเห็นร่างกายของเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่นไม่รู้สร็จอะไรมันแก่ก็เรื่องของมันมันเจ็บ ก, ก็เรื่องของมันมันตายก็เรื่องของมันคำถามจากคุณส ร, รวิทยมิพานก็เป็นอนัตตาใช่เปล่าครับไม่ใช่มิพานเป็นจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสไม่มีความโลภความอยากคำถามจากคุณดวนกันกินทำข้อใดบ้างใช้ได้ทั้งสองด้านสมถะและวิปัสสนาครับ ก็ต้องทำทั้งสองด้านก่อนจะวิปัสสนาก็ต้องสถมถะก่อนต้องทำใจให้มีกำลังก่อนถึงจะไปใช้ปัญญาเพื่อตัด ก, กิเลสได้เหมือนคนที่จะไปทำงานก่อนจะไปทำงานก็ต้องพักผ่อนหลับนอนกินอาหารก่อนพอตื่นขึ้นมากินอาหารเช้าแล้วก็ออกไปทำงานได้ถ้าไม่ได้หลับนอนทั้งคืนไม่จะไปทำงานก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงเช่นเลี้ยงฉลองปีใหม่กันนี้พอวันที่หนึ่งตอนเช้ามีใครไปทางานกันหรือล่า ไม่มีใครไปทําำเพราะไม่มีเรี่ยวมีแรงจะไปทํางานแกน่วิปัสสนาก็คือการฆ่ากิเลสไงฆ่ากิเลสด้วยปัญญาฉะนั้นก่อนที่เราจะไปทางวิปัสสนาได้เราต้องมีสมะถะก่อนเราต้องพักผ่อนให้จิตมีกําลังมีพลังขึ้นมาก่อนจิตต้องเข้าสู่สมาธิให้ได้ก่อนจิตสงบเป็นสมาธิพักได้อยู่นานแล้วพอออกมาก็จะมีกําลังที่จะ ใช้ปัญญาไปชู้กับกิเลสตัณหาได้คําถามจากคุณตั้มอยากทราบมานานแล้วครับว่าทำเหมันสุนักบาปไหมครับไม่บาปไม่ได้ฆ่ามันจะไปบาปไหมไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ไปเพิ่ผิดประเวณีไม่ได้โกหกมันก็ไม่บาปคําถามจากคุณปรกรณ์วิทย์เวลาทําสมาธิจากหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงเวลาออกจากสมาธิก็สบาย แต่เวลาโกรธทําไมอารมณ์มันแรงขึ้นจะทําอย่างไรดีครับพระอาจารย์พรความโกรธสมาธิไม่ได้ทําลายความโกรธเนี่ยไม่ได้ทำทำลายต้นเหตุของความโกรธสมาธิเพียงแต่กดมันไว้กดต้นเหตุของความโกรธไว้คือความอยากพอออกจากสมาธิมาความอยากที่ถูกกดมันก็เลยมีแรงมากมันก็เลยอยากมากอยากมากก็เลยโกรธมาก ถ้าไม่อยากจะโกรธก็ต้องใช้ปัญญาออกจากสมาธิก็จะมาสอนใจว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความโกรธ ถ, ถ้าไม่อยากจะโกรธก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากเขาแล้วถ้าเราไม่ได้เราก็จะไม่โกรธที่เราโกรธเพราะเราอยากได้แล้วไม่ได้ในใจอยากคำถามจากคุณชนรดาเวลาเราดู ดูแลพ่อแม่เห็นเขาแก่ลงสังขารเสื่อมลงความคิดเราก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆว่าสักวันพ่อแม่ต้องจากไปพยายามบังคับความคิดให้มองว่าใครๆก็ต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันก็ยังทําไม่ได้คิดที่ไรก็เป็นทุกข์จิตเศ ร, ร้ามองทุกทีทําอย่างไรดีคะเพราะเราไม่มีกําลังไม่มีกําลังหยุดความอยากไม่ให้เขาแก่เจ็บตายเราก็ต้องไปนั่งสมาธิ อย่างที่บอกเ่ยยังไม่มีสมาธิเห็นมีปัญญาก็หยุดความทุกข네์ไม ja ่ได้หยุดความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้แต่ถ้าเราไปนั่งสมาธิได้แลพอเรามาคิดว่าเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะไม่ทุกข์เลยเราจะหยุดความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ตอนนี้เราหยุดไม่ได้ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือกิเลสนี่พราะเราไม่มีสมาธิเหตุการเราไม่มีกาลัง เราก็ไปพักผ่อนหลับนอนไปกินข้าวก่อนแล้วก็ออกมาต่อสู้กับข้าศึกต่อถ้าไม่มีไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่มีสมาธิช่วกิเลสไม่ได้ถึงแม้จะมีปัญญาปัญญาก็ไม่ไม่สามารถที่จะสู้กิเลสได้ปัญญาจะสู้กิเลสได้ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนคำถามจากคุณเนท อาจารย์ครับกัญยาณมิตรผมจะทําตัวแบบไหนถึงได้พบครับทําตัวเราเป็นคนดีเดี๋ยวเราจะได้พบกัญยาณมิตรเองคนดีย่อมาเข้าหาคนดีกันคนไม่ดีเขาก็จะไปหาคนไม่ดีเหมือนน้ํากับน้ํามันเนี่ยเราเอาไปใส่ในขวดเดียวเดีวยวเลยแล้วก็เราขย่ามันให้มันรวมกันมันไม่รวมกันเขย่ายังไงเดี๋ยวน้ําก็ต้องอยู่ชั้นหนึ่งน้ํามันก็ต้องอยู่ชั้นหนึ่งคนดีกับคนไม่ดีมันก็จะไม่อยู่กนด้วยกัน แังอย่างกมาอย่ากยังมีกิริยามิตมาวัดเนี่ยคนมาวัดนี่เป็นคนดีทั้งนั้นคนที่ชอบทําบุญถ้าไปเที่ยวตามผับตามบาร์ตามบอ่อนนี่ไม่มีคนดีเนละยที่ทํานั่นหรอกเราอยากจะพบกิรายามิตก็มาวัดทําตัวให้เป็นคนดีแล้วเราก็จะมีคนดีคบค้าสมาคมด้วยเพราะคนดีจะชอบทําสิ่งที่ชอบทําเหมือนกันคนดีชอบทำความดีชอบทําบุญชอบรักษาศีลชอบปฏิบัติธรรม คำถามจากคุณชัยประสิทธิ์บริกา ร, รพุทโธรสักพักจิตออกไปข้างนอกแต่รู้ว่าออกไปแล้วก็มาบริกา ร, รพุทโธรต่อสักพักเหมือนมันเคล้งคว้างไปเลยครับทําอย่างไรดีครับก็ต้องพยายามพุทโธรอยู่เรื่อยบริกา ร, รไปเรื่อยตอนนี้เรากํำลังน้อยพอเราหยุดบริกา ร, ร ม, มันก็ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่อใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้มันเป็นเหมือนการชักกระเยอกะกันระหว่างความคิดกับการหยุดแบบ ตอนต้นเราถ้ากำลังพุโทโธเรามีไม่มากเหมือนก็ทำได้เป็นพักๆพุพโทโธได้เป็นพักๆ พ, พอหยุดพุดโทโธปั๊บมันก็ไปคิดใหมเพอคิดใหม่เราก็ต้องพุโทโธต่อทาไปเรื่อยๆต่อไปพุโทโธก็จะมีกำลังมากขึ้นไปมากขึ้นไปแล้วต่อไปเราก็จะหยุดความคิดได้คำถามจากคุณนะัคคาริน เป็นลูกผู้หญิงแต่อยากบวชชีปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตแทนการทำงานหาเลี้ยงพ่อแม่แบบนี้หนูบาปไหมคะไม่บาปหรอทำอะไรใแม่ชีก็เลี้ยงพ่อแม่ได้พอมีอาหารถ้าเราถ้าไปอยู่วัดที่เขาที่เขามีอาหารให้เรากินถ้าเรามีอาหารเหลือเรวก็เลี้ยงพ่อแม่ได้ถ้าพ่อแม่เลี้ยงตัวเองไม่ได้คาถามต่อไปจากคุณยุยงนะคะ ข้อหนึ่งค่ะตามที่ท่านกล่าวมาถัดจากนี้หลังห้าพันปีจะเป็นยุคของพระศรีอริยะเมตไตรซึ่งจะมีแต่คนดีมาเกิดเป็นเช่นนั้นจริงไหมคะไม่หลังจากที่หมดยุค5 0าพันปีนี้ต้องรออีกกับ อ, อีกหลายกับอีกแสนล้านอีกหลายแสนล้านปีกว่าจะมีพระศรีอานมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าและจะมีคนดีปฏิบัติธรรมกับพระศรีอานเป็นจานวนมากไม่ใช่ต่ ตอนนี้เป็นยุคมืดมันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆคนดีจะน้อยลงไปเรื่อยๆสังเกตดูเมื่อห้าสิบปีก่อนห้ากับเดี๋ยวนี้มันต่างกันเยอะคนห้าสิบปีก่อนเข้าวัดกันเยอะบวชกันเยอะบวชทีแค่ตั้งทรรษาอย่างนี้บวชกันแค่เช้าเย็นนะเห็นไหมทำบุญก็น้อยรักษาศีลก็น้อยบ่อนก็เยอะอาอบนวดก็เยอะบาก็เยอะเนี่ยมันอยู่ในยุคเสื่อมคนดีคนดีจะน้อยลงไปเรื่อยๆ ยุคพวกคนไม่ดีมากลัแกล้งมามาขับไล่เนี่ต้องคนดีต้องหนีไปอยู่ในป่าในเขาไงเพราะไม่อยากจะไปแก่งแย่งชุงดีกันกับคนไม่ดีเนี่ยต่อไปคนไม่ดีอยู่ด้วยกันมันจะฆ่ากันทั้งหมดจะเป็นยุคมิกษัตริยเพราะมันจะแย่งกันจะแก่งแย่งสมบัติแก่งแย่งอะไรต่างๆต่อไปมันจะมีพกอาวุธกันเต็มบ้านเต็มเมืองเจอกันที่ไหนก็ยิงกันวะนั่นเป็นแก๊งเป็นเหล่าเป็นก๊กไป แล้วในที่สุดก็จะฆ่ากันตายหมดแล้วพอพวกที่อยู่ในบ้านในเมืองฆ่ากันตายหมดพวกที่นี้ไปอยู่ในป่าเ น, นเขาก็ออกมาสร้างบ้านเรือนใหม่มาทําบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมใหม่พอเริ่มเห็นโทษของการทําบาตรน้อมนำไปสู่ความหายนะแล้วนหลักหลังจากนั้นก็จะมีพระศรีอารามาตัดทะลุมาเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปข้อสองค่ะ คนที่เพาะสุนัขขายเป็นอาชีพมีบาปไหมคะและควรเลิกหรือไม่คะถ้าไม่ได้เอาไปข่าก็ไม่บาปถ้าเอาสุนัขไปทําประโยชน์เช่นไปเป็นยามเอาไปดมยาเสพติดนีอย่างนี้ก็เป็นอาชีพที่ไม่เสียหายตรงไหนแต่ถ้าเลี้ยงเลี้ยงสุนัขเพื่เอาไปฆ่ากินเนื้อมันเน่ยเต็มยามตัวเองไม่ได้ฆ่าแต่มตัวเองไม่ได้ฆ่ามันไม่บาปโดยเราไม่ได้ฆ่าไม่บาปแต่มันก็ไม่ควร พอเราส่งเสริมให้คนอื่นเข้าไปฆ่าต่อทีเขาเรียกว่าเป็นวิชาชีพไม่เป็นสามมาชีพถ้าเลี้ยงสัตว์แล้วให้เอาสัตว์นี้ไปฆ่าเพื่อเอาไปกินแต่ถ้าเอาเลี้ยงสัตว์แล้วเอาไปทําประโยชน์นี้ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เสียหายสุนัขนี่เขาเขาเลี้ยงแล้วเขาก็เอาไปทําประโยชน์ได้หรื้ก็เอาไปเป็นเพื่อนให้คนที่เหงาไม่มีลูกอยากได้ได้ลูกบางทีมีสุนัขน่ารักเขาก็เอาไปเลี้ยงเป็นลูก ถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงชาแบบนี้ไม่เป็นไรคําถามจากคุณจิรชยากรนามัส ก, การพระอาจารย์ให้ช่วยแนะนําค่ะโยมไม่เคยปฏิบัติทำที่ไหนจะปฏิบัติที่บ้านเองควรเริ่มตรงไหนก่อนหรือต้องไปฝึกกับครูบางอาจารย์ก่อนคะอ๋อเริ่มที่บ้านได้ลเลยนี่ยก็ฟังเทศน์อยู่นี่ก็เท่าก็ได้มาฝึกและมาได้ยินได้ฟังแล้วขั้นต้นแรกก็คือให้ฝึกสติก่อนสตินี่ฝึกได้ทั้งวันเลย พอลืมตาขึ้นมาก็พูดโทรไปเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องต่างๆที่ไม่ต้องคิดคิดแต่เฉพาะเรื่องที่จงเป็นต้องคิดเวลาที่ไม่ต้องคิดก็พูดโทรพูดโธไปถ้ามันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พูดโทรไปทํอย่างนี้ไปแล้วพอมีเวลาว่างมาเมื่อไหร่ก็นั่งหลับตาแล้วก็พูดโทรต่อไปเดี๋ยวจิตก็จะสงบเอง เวลาสงบก็ปล่อยให้มันสงบไปนานๆนยังไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องคิดทางปัญญาตอนขั้นแรกนี้ให้มาฝึกสติกับสมาธิให้มากๆจะเรามีความชานาญสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการถ้าเราเข้าสมาธิได้ทุกเวลาแล้วต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาเราก็มาหัดคิดทางปัญญาคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยมเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา มีอะไรเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็ต้องหจบไปเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปถ้าเราไปยึดไปติตไปหวงเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเรายอมรับว่ามันต้องจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์ให้คิดอย่างนี้ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในตอนนี้แล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียสิ่งต่างๆไปคำถามจากคุณเกศ เวลานั่งดูลมหายใจเข้าออกพุดโพลและความสนใจจากร่างกายอาการคันความเจ็บชาลืมร่างกายไปเลยแต่พอรู้สึกตัวอีกทีหลังค้่อมลงเรื่อยๆแสดงว่านั่งผิดวิธีหรือเปล่าคะไม่หรอกน่างกายมันก็เป็นธรรมดามันเมืเ่อเราไม่ได้ไปควบคุมบังคับมันมันก็อาจจะงอไปบ้างก็ไม่เป็นไรเวลานั่งสมาธิแล้วเราอย่าไปสนใจกับท่าของร่างกาย ให้สนใจอยู่กับการควบคุมความคิดอย่างเดียวอย่าปล่อยให้มันคิดให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปคําถามจากคุณวิไลลับคนที่ทําผิดสิ่งมาครึ่งชีวิตแล้วคิดได้เขาจะกลับตัวส่วนบาปส่วนบาปกรรมที่เคยทําจะต้องรับตอนตายแล้วใช่ไหมคะถ้าถ้าไม่ได้เป็นเป็นธาตุอาก็ยังต้องไปเกิดต่อก็ยังต้องไปรับผลต่อแต่ถ้าเป็นแบบองค์คเลยมานีย พอได้เป็นผาอาหาระบาปที่ทํามาด้วยการไปฆ่าคนต้องเก้าร้อยเก้าสิบเ้าคนก็ไม่ต้องไปรับผลต่อไปเพราะไม่ไปเกิดนะคาถามจากคุณธนารัฐผมอาบน้ําให้สุนัขแล้วหมัดเห็บที่ตัวสุนัขตายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะบาปแค่ไหนครับไม่บาปหรอกถ้ า, าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามันโดยตรงถ้าเราอาบน้ําสุนัขไปล่องมเห็บเหินที่มันอยู่ในนั้น มันตายไปก็ไม่ได้เกิดจากเจตนาลงของเราก็ไม่บาปต้องมีความตั้งใจฆ่าแล้วเกิดการตายขึ้นมาถึงจะบาปะหมืกับเราเดินไปแล้วเผอไปเหยียบมดนี้มองไม่เห็นมดตายไปมันก็ไม่บาปเพราะเราไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่ามันหมดแล้วค่ะหมดแล้วน ะ, ะเดี๋ยวอีกสี่ห้านาทีเดียวเพื่อยังมีคําถามก็ามายังรอได้สักสอามนาที ต้กงดื่มน้ำก่อนมีใครสงสั ย, ยนะอะไรไหมมาแล้วเล่าเก่าอย่าเอาเรื่องคนนี้คนคนี้มาเล่ามาถามเราเนะี่เราไม่ตอบด้วยของคนไหนนะคนไหนเขาพูดยังไงเขาว่าไงก็ต้องไปถามเขาไม่อย่ามาถามเรานะจิตที่ไม่ไม่คิดไม่รู้ไม่แต่งคือจิตที่รู้ <c oughs> ตัวรู้มา้อยตลอดเวลาแต่มัน ถ, ถูกตัวคิดบังไว้พออยู่คิดก็จะเห็นตัวรู้เหมือนจอทีวีเนี่ยถ้าปิดถ้าไม่ปิดจอถ้าไม่ปิดทีวีมันจะไม่เห็นจอมันจะเห็นแต่ภาพบนจอใช่ไหม <c oughs> พอพอปิดทีวีปั๊บภาพก็หายไปก็เหลือตัวจออยู่ตัวรู้มันอยู่ตลอดเวลาตัวจอนี่มันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ถูกตัวคิดตัวภาพบังไว้ หลวงพอบอกให้หยุดความจริงให้ได้ก็คือฝึกตรงนี้อนพอหยุดแล้วมันก็จะเห็นตัวรูมขึ้นมาแล้วจะรู้ว่าอานี่แหละคือตัวที่ตัวที่ตัวจริงของจริงคือตัวนี้ตัวที่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายก็คือตัวนี้อะจะเจอในชั้นสี่เท่านั้นหรือเปล่าคะก็ น, น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเห็นไหมอเข้ามา คำถามจากคุณธั ญ, ญารัตรนั่งกลางวันสมาธิวันละสองชั่วโมงแต่ช่วงกลางคืนนั่งสังสรรดื่มกับเพื่อนบาปไหมคะถ้าเดิมชุลาก็บาปควรจะเอาเวลาไปนั่งสมาธิจะเกิดประโยชน์มากกว่าคำถามจากคุณจินดาเวลาฝึกสติโดยท่องพุทโธสักพักคําบริกรรมพุทโธก็จะไปรวมกับลมหายใจ เข้าออกกลายเป็นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถ้าไม่ถูกต้องแก้ไขยอย่างไรครับได้ให้มันอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะพุทโทยอย่างเดียวก็ได้หรือจะพุทเข้าโทออกก็ได้คือข้เป้าหมายก็คือก็ให้ไม่ให้เราไปคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆจิตจะได้สงบจะได้นิ่งจากความคิดเราจะได้เห็นตัวรู้เราจะพบกับความสุขที่เกิดจากตัวรูน้นี้การที่ได้อยู่กับตัวรู้นี้เป็ น, นเป็นความสุขมาก สุขมากกว่าการได้อยู่กับเงินทองร้อยล้านพันล้านอยู่กับเงินทองร้อยล้านพันล้านมันทุกข์เพราะกังวลไงห่วงนะห่วงนะแต่ถ้าอยู่กับตัวรู้ตั ว, ต ว, ตวเนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรมาให้หนัก อ, อกหนักใจรู้เฉยๆแล้วจะสบายใจแล้เข้าคาสามข้อสุดท้าย คำถามจากคุณแสงจันทร์ถ้าจิตสงบเย็นอยู่ตลอดแล้วเกิดความเบื่อหน่ายจะทําอย่างไรคะไม่มีวันเบื่อหน่ายความสงบนี้ไม่มีวันเบื่อหน่ายเป็นของที่ไม่เบื่อไม่เหมือนสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้ามีอะไรไปสักพักแล้วก็จะเบื่อแต่ความสงบนี้ไม่มีวันเบื่ อ, ไ ม, มอไม่ต้องกังวลเราเนีเ้ยนะก็ชคิดว่าพอสมควรแก่เวลา